สำหรับบางคนนะการปฏิบัติข้ามคืนนะโดยไม่อดอโดยไม่นอนเรียกว่าเนศสัจฉิคืออยู่ใน อ, อิเรเบทที่ไม่ใช่ท่านอนอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เรื่องยากนะสำหรับบางคนเพราะว่าทำอยู่หลายครั้งนะจนชินแต่หลายคนนะถ้าให้ปฏิบัติข้ามคืนคนเดียว หรือว่าในโอกาสปกติก็คงทำไม่ได้อย่างที่ทำเมื่อคืนนี้นะที่ทำได้เพราะอะไรนะก็เพราะต้องการบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนอันนี้ว่าเกิดศรัทธานะแรงศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความเพียร พร้อมที่จะเคี่ยวกรมผลักดันตนเองให้ทำสิ่งที่ยากจนสำเร็จได้ศรัทธานี่มันมีก ม, มีพลังนะเรียว่าศรัทธานในบุคคลที่เป็นตัวแทนแห่งความดีงามเริ่มตั้งแต่ครูบาอาจารย์เป็นถึงพระพุทธองค์นะศรัทธานี่มันมีพลัง ที่สามารถทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้หรือผู้ใหญ่ก็คือว่าช่วยเราช่วยเราเพิ่มเพดานแห่งขีดจำกัดนะให้สูงขึ้นนะแต่ก่อนทำได้เท่านี้นะแต่ว่าด้วยศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ทำให้มีเรี่ยวมีแรงทำให้ทำได้มากกว่านี้นะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จรงศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันมีส่วนช่วยนะในการพัฒนาตนมากนะโดยเพราะที่ทำมาคือการช่วยลดละอัตตาหรือช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ตกอยู่ในอำนาจของอัตตาเพราะว่าเมื่อเราศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็หมายความว่าเรายอมนะนะมอบจะเรียกว่าชีวิตนะหรือว่าตัวตนเนี่ย ให้กับท่านท่านสอนท่านแนะนำอะไรทั้งๆ ท, ที่ไม่ถนัดหรือไม่ชอบแต่ก็ทำนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นการฝืนกิเลสฝืนอัตตาเพราะอัตตามันชอบสบายนะกิเลสก็ชอบความสะดวกแต่ว่าเป็นเพราะศรัทธาใน ครูบาอาจารย์เช่นศรัทธาในหลวงพ่อแม้นะว่าท่านจะหาไม่แล้วมีชื่อหาไม่แล้วแต่ว่าก็พร้อมที่จะทําในสิ่งที่เราไม่ชอบพร้อมที่จะทวนกระแสะกิเลสบางครั้งเนี่ยก็อยากจะอยู่สบายอยากจะเสพนอนเสพนี่แต่ครูบาอาจารย์นั่นสอนว่าอย่าไปเพลียอาการเสพมากอ่ามันก็ทําให้ต้องทวนกระแสะกิเลสทวนอ่า อัตตาความต้องการของอัตตาหรือแม้กระทั่งบางครั้งเรามีความเชื่อบางอย่างแล้วเราก็เชื่อมันแถูกแน่นะแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านชี้ให้เราเห็นอีกทางหนึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็ไม่สนใจที่จะไต่ตรองไข่ควรเพราะว่าเราก็เชื่อมันในทิฏฐิความเห็นของตัวแต่เป็นเพราะศรัทธาในครูบาอาจารย์ท่านพูด ท่านสอนในทางที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะหรือว่าในทางที่สวนทางกับความคิดความเชื่อเราเดิมๆก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดนะหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วเรียกว่า น, นี้ก็เรียกว่าต้องมั น, เ ป, นเป็นการฝืนธรรมชาติของอัตตานะเพราะธรรมชาติอัตตานี่มันมันยึดมันถือมันว่ากูถูก แต่พอครูบาอาจารย์นะพูดอีกอย่างหนึ่งชี้ทางที่ถูกให้ก็หมายความเราต้องเขย่านะหรือต้องสั่นคลอนความเชื่อเดิมซึ่งมันก็เป็นการทวนกระแสตาอย่างแล้วก็ตามเนี่ยนะศรัทธาในครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องไต่ตรองให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราศรัทธาถูกเนี่ยมันก็จะช่วยลดความยึดติดถือมั่นในตัวตนลดกิเลส แต่ถ้าศรัทธาไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเป็นการไปเพิ่มไปเสริมอัตตาได้คือเอาครูบาอาจารย์ไปเป็นเครื่องเสริมอัตตาอย่างเช่นนับถือครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านนี้เพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันไปเสริมความเชื่อของเราอยู่แล้วนะการไปนับถื อ, อคนเด่นคนดังเพียงเพราะว่าเนี่ย ท่านผู้นั้นเนี่ยพูดยืนยันความเชื่อของตัวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเอาศรัทธาเนี่ยมาเสริมตัวตนหรือบางทีครูบาอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมีชื่อมีเสียงเราไปอวดใครๆได้ว่าเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์นี้อาจารย์องค์นั้นมันก็ไปเสริมภาพลักษณ์ของเรานะทําให้เราดูดี ทำให้เราเนี่ยสามารถไปอวดใครได้ในชันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์นี้หรืเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์องค์นั้นอันนี้เราเป็นศรัทธาที่เป็นการเสริมกิเลสเป็นการเป็นศรัทธาที่ไปเสริมตัว ต, วตนนะไม่ใช่ทําให้ตัว ต, วตวนเบาบางนะคนที่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ลักษณะแบบนี้มีเยอะมากนะศรัทธาเพราะว่าท่านพูดถูกใจนะ ท่านอจจะมีลักษณะบางอย่างที่ถูกใจเราเช่นาน้ำเสียงหรือว่ารูปร่างหน้าตาหรือความเด่นความดังนะไปไปนับถือท่านหรือไปอ้างว่าไปรู้สิทธ์ท่านเนี่ยก็เราก็พลอยได้นาได้ตาไปด้วยอันนี้เรียกว่าโหรโหรครูบาอาจารย์แล้วบางคนไม่รู้นะคิดว่าเราศรัทธาในครูบาอาจารย์แต่จริงเนี่ยเป็นการศรัทธาที่ปนเปออัตตานะ ซึ่งมันไม่ช่วยทําให้เราเจริญงอกงามและศรัทธาแบบ น, นี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อทําให้รู้สึกเราเป็นคนสําคัญนะเอาไปอวดได้นะว่าเป็นลูกศิษย์ท่านท่ายรูปคู่กับท่านนะหรือว่าท่านได้พูดถึงเราอย่างนี้อย่างนี้ไอการที่ปรารถนาความสําคัญจากครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นส่วนของการมาเสริมกิเลสนะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะ ในสารวัตรการเนี่ยมีคราวหนึ่งนะพระสารีบุตรเนี่ยออกพรรษาลแล้วก็จจาริกไปนะในชนบุบีไปแต่ผู้เดียวนะท่านมีลูกศิลูกห้าเยอะลูกศิลูกห้าก็มายืนรอส่งท่านนะที่หน้าประตูเข้าแถวยาวเลยแล้วทรานสารีบุตรเนี่ยท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สุภาพนะท่านก็ทักทายทุกคนเลยนะจำชื่อได้บ้างจำชื่อไม่ได้บ้างนะ ก็ทักถามเป็นลูกใครเป็นโครตใครอะไรท ำ, ทำนองนี้ท่านใส่ใจนะให้ความสําคัญนะกับทุกคนที่มายืนรอส่งท่านแต่ว่าท่านมองข้ามนะพระหนุ่มรูปหนึ่งนะไม่ได้ทักทายด้วยพระหนุ่มรูปนั้นเนี่ยแทนที่จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดากับไม่พอใจนะพระสาริบุตรไม่พอใจเพราะอะไรเพราะารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความสําคัญ ให้ความไม่พอใจนี่เกิดขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าต้องมีศรัทธานะคนเราเวลามีศรัทธาโดยเฉราะศรัทธาที่เป็นแบบผูุ้ชนเนี่ยมันก็ย่อมปรารถนาความการได้รับความสำคัญจากคนนั้นยิ่งศรัทธาใครยิ่งรักใครยิ่งนับถือใครยิ่งปรารถนาจะได้รับความสำคัญจากคนคนนั้นพอคนคนนั้นเนี่ยนะเขามองข้าม ก็สัวตัวเองไม่ได้รับความสําคัญตานี่มันถูกกระทบกระแทกอย่างแรงเลยนะเพราะตานี่มันต้องการได้รับความสําคัญจากคนที่เรารักคนที่เราศรัทธาพอคนที่เรารักคนที่เราศรัทธาหรือครูบาจาเนี่ยไม่เห็นเราอยู่ในสายตาในความศรัทธานหรือความรักมันสวิงกับการเป็นความโกรธเลยนะพระหนูรุนั้นเนี่ยก็เลยโจดฟองภาษาเรบุตรกับพระเจ้าวันภาษารรบุตรเนี่ย เดินกระทบกับผมแต่ไม่ขอโทษจริงๆเนี่ยพระไตรปุฎกบังเอิญ น, นะชายสังฆัตติเนี่ยพิ่ไปโดนพระหนุ่มรุ่นั้นโดนเบาๆแต่ว่าพระหนุ่รุ่นนั้นเนี่ยเนื่องจากโกรธพระไตรปุฎกนะก็เลยหาเรื่องหาเหตุนะฟ้องโจทก์ฟ้องพระไตรปุฎกว่าเดินกระทบนะพูดง่ายๆเดินชนนะนะจะเอาเรื่องให้ได้ เรื่องแค่นี้นะมํกากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรก็เพราะศรัทธานะศรัทธาเพราะรักพระไตรลืบุตรแต่เป็นการรักที่เป็นไปเพื่อสนองอัตตาตัวเองเป็นการเป็นศรัทธาที่มันเจือไปด้วยอัตตามุงมุงมั่นเพื่อเสริมมา น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้รับความสําคัญเขาก็จะเกิดความโกรธโจดฟ้องเลยนะพระไตรลืบุตรท่านก็ไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าไปเดินชน แต่พูดทานองแต่พูดว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยนะเปลี่ยนเหมือนกับเด็กจั น, านทารที่สงบสงี่ยมอยู่เสมอข้าพระองค์เนี่ยเปลียนเหมือนกับวัวซึ่งถูกตัดเขาแล้วไม่ไม่ทำร้ายใครข้าพระองค์เนี่ยเปลี่ยนเหมือนกับภาคิริเนี่ยที่คอยชําระสิ่งที่สกปรกปฏิกูลพอพระองค์พอพระเสด็จพู้เชนนี้เนี่ยนะ พระทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในที่ประชุมสงฆ์ก็เข้าใจเลยนะว่าบุคคลอย่างพระไศรบุญเนี่ยไม่มีทางทำอย่างที่พระหนูลูกนั้นกล่าวหาได้พระหนูลูกนั้นก็สำนึกผิดนะสุดท้ายก็ขอโทษอันนี้เนี่ยมันก็เป็นชื่อเห็นโทษของศรัทธานะศรัทธาที่ผิดนะศรัทธาที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อเพื่อความถูกต้องไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลา กิเลสหรืออัตตาจะเป็นไปเพื่อเสริมอัตตาถ้าพวกเราชาวาพุทเนี่ยเวลามีศรัทธากับใครเนี่ยก็ก็ควรไต่ตรองน้อเราศรัทธาเนี่ยเพื่อปลเปลือกิเลสหรือเป็นการเอาเอาท่านเนี่ยมาใช้เพื่อสนองอัตตาเราหรือเปล่าเพื่อไปอวดให้ใครต่อใครรู้ว่าฉันเป็นลูกศิษย์องค์นั้นองค์นี้นะ เ, เพื่ อ, อภาพลักษณ์ เพื่อการเสริมภาพลักษณ์ของตัวเราเองถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดโทษได้เพราะว่าเราก็จะไม่มีการพัฒนาตนเลยแต่ถ้าเราศรัทธาถูกต้องนะคือการยอมสิโรราบต่อครูบาอาจารย์อาศัยคำสอนและการประพฤติปฏิบัติของท่านเพื่อลดละขัดเกลากิเลสหรือความยึดมั่นในตัวตนเนี่ยอันนี้ก็มันก็มีแต่นาไปสู่ความเจริญนะที่ทาให้เรามีความ อ่าเตะเลยงอ่งงามมากขึ้นในทางธรรมก็ ข, ขอให้เราเนี่ยอ่าได้พัฒนาหรือเสริมศรัท ธ, ธาเช่นนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าจะทําให้เรามีกําลังในการทําความดีได้นะของยากเราก็จะทําได้เพราะเรามีเรี่ยวมีแรงเพราะความศรัท ธ, ธาในครูบาอาจารย์เมื่อที่เราศรัท ธ, ธาในหลวงพ่อแล้วเราก็มาปฏบิบัติบูชาเพื่อท่าน แต่สุดท้ายก็เพื่อเรานั่นแหละนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีกิเลสอัตตาเบาบางมีสติมีความสึกตัวมากขึ้นอกุศลธรรมล ด, ล, ดลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่มีศรัทธาเลยเราก็คงจะทําได้ไม่นานเกิดความลังเลสงสัยว่าไม่ทําดีไม่ทําดีหรือว่าไม่มีกําลังใจนะในการที่จะทําแต่ด้วยศรัทธาในหลวงพ่อนะเราจึงนะทุ่มเท ความตั้งใจของเราและถ้าใดีเนี่ยนะนอกจากศรัทธาในครูบาจาแล้วเนี่ยควรจะพัฒนาไปสู่ศรัทธาในความเพียรของตนหรือว่าศรัทธาในกรรมนะกรรมคือการกระทาถ้าเรามีศรัทธาในกรรมกรรมในที่นี้คือการกระทาการกระทำของใครการกระทาของตนถ้าเรามีศรัทธาในกรรมนะเราก็จะเกิดความเพียร ง, ง่ายเวลามีความทุกข์ ก็เชื่อว่าความเพียรของเราจะช่วยทําให้พ้นทุกข์ไดนะ้อันนี้เรียกว่าไม่ได้พึ่งใครละวนะแต่ว่าพึ่งการกระทําของตัวเองนะซึ่งเป็นศรัทธาที่จะพาเราไปสู่ทางที่ถูกต้องในยามที่แม้จะห่างไกลาจากครูบาอาจารย์นะเราก็ยังมีกําลังในการที่จะทําความดีได้เพราะมีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในความเพียรของตน เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนร่วมทุกได้เพราะความเพียรไม่ได้ร่วมทุกได้ไม่ใช่ร่วมทุกได้เพราะครูบาอาจารย์นะแต่ร่วมทุกได้เพราะความเพียรของตนอันนี้แหละนะคือศรัทธาที่ที่ถูกต้องนะแล้วก็พาเราไปสูนะ่ความหมดทุกได้อย่างแท้จริง